ตั้งแต่แรกๆท่านปุ้ฟังที่พระพุทธชาของเราตรัสรู้ใหม่ๆผ่านความทุกข์ทำความเพียรทุกวิถีทางละจนกระทั่งได้มาตรัสรู้เป็นสมมาสัมพุทธเจ้าใต้กวงไม้โพลัางจากที่ได้ตรัสรู้แล้วก็ยังอยู่ที่บริเวณโพธิคยาก็คือเป็นตำบลหนึ่ง ในบริเวณนั้นก็จะเป็นป่าโปรง่งมีท่าน้ำมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่หลังจากที่อยู่บริเวณนั้นพักผ่อนหย่อนใจได้สักระยะหนึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มานั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะในที่นั้นก็มีความคิดขึ้นว่าการที่จะบอกสอนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ บอกสอนสัตว์โลกให้เห็นธรรมตาม ท, ท, ท, ที่พระองค์ได้เห็นมานี่มีหนทางอยู่ทางเดียวคือสัตว์โลกในปัจจุบันในยุคปัจจุบันยุคของเราเนี่ยแหละมีราคะโทสะโมหะมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออย่างหนานแน่นมากจะเรียกว่าหนาแน่นที่สุดในยุคของความเป็นพระพุทธ้าก็ได้เพราะว่าปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดมาเพื่อทวนกระแส พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยเขาจะเกิดมาในช่วงอายุที่มนุษย์ เ, เกินร้อยปีทั้งนั้นอย่างเช่นพระพรุทธเจ้าวเวสภูพระพรุทธเจ้ากัณฐะพระพรุทธเจ้าโกนาคนามณะต่างๆเหล่านี้แต่ท่านเกิดมาในอุบัติขึ้นในสมัยที่มนุษย์มีอายุเป็นหมื่นปีเป็นหลายพันปีน้นแต่มีแค่สมณะโคดมของเราพระพรุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในสมัยที่อายุ มนุษย์เนี่ยแค่ประมาณร้อยปีสมัยที่อายุมนุษย์น้อยลงน้อยลงเนี่ยสแสดงถึงความที่มีอกุโสธรรมนะอย่างมากมากจนกระทั่งว่าการกินอยู่อาหารการกินอะไรต่างๆมันผิดเพี้ยนไปเป็นอาหารที่ไม่ดีทำให้อายุมนุษย์ในช่วงยุคนี้นะสั้นลงสั้นลงนะจนเหลืออย็นที่เราอยู่กันในปัจจุบัน ประมาณ100ปีมากกว่านั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงแสดงถึงความที่มีกลุ่มมืดห่อหุ้มอยู่อย่างมากถ้าน้อยไปกว่านี้จะมีสมัยที่อายุมนุษย์น้อยลงเหลือขนาด50ปี10ปีด้วยซ้าอายุมนุษย์ในช่วงอายุหนึ่งก็แค่10ปีซึ่งสมัยนั้นมีพระชาไม่มีพระรูชามาอุบัติขึ้นเลยนะมีไม่ได้เพราะว่ามันมืดมาก แย่ที่สุดยังต่ําที่สุดใ น, นที่พระรูปเจ้าจะมาบอกสอนได้ก็อย่างปัจจุบันนี้แค่ร้อยปีพระรูปเจามาทวนกระแสะอยู่ได้แในยังมีคําสอนทวนกระแสะอยู่ได้เพื่อที่จะพาสัตว์ที่อยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยใครก็ตามลูกเด็กเล็กแดงอายุมากอายุน้อยผิวสีไหนก็ได้ผู้หญิงผู้ชายถ้าปฏิบัติตามทางนี้แล้วก็จะหลุดออกจาก กลุ่มมืดที่มันห่อหุ้มอยู่ไม่เห็นมึนตึงเขาว่ายยังไงก็ว่างั้นไม่รู้อะไรเป็นอะไรมีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายไปเราจะออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนความมึนตึงความสับสนเหล่านี้นได้หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนไม้โพธิ์สมัยรักโคดมนี่แหละ นั่งอยู่ใต้ควงไม้ต้นไทรหลังจากที่ตรัสรู้แล้วไม่คิดถึงหนทางที่จะสอนสัตว์ในยุคนี้ใน ม, มีอยู่ทางเดียวนั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่สติแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเรานึกถึงเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งเช่นเรานึกถึงหน้าพ่อเรา นึกถึงหน้าแม่เรานึกถึงคนที่เรารักนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วนึกถึงว่าเมื่อวานนี้ทําอะไรนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรต่อไปแต่ความระลึกนึกถึงทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสติทั้งสิน้นคํานิยามของคําว่าสติที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นานได้ น, น, นี่คื อ, อนิยามของกำวมาสติเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติหรือเลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีอย่างเช่นเราระลึกถึงแฟนเก่าอย่างนี้แม้ระลึกถึงมันเจ็บใจจริงจมันนันทิ้งเราไปได้เสติแบบนี้มันยังไม่ค่อยถูกแต่เป็นสติอยู่ใช่แต่ไม่ใช่สัมมาสติไงเป็นมิจฉาสตินั้สติที่แปลว่าความระลึกได้ที่เป็นสัมมาสตินั้นพระพุทธาอธิบายถึง เรื่องของการระลึกถึงกายะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงหรือว่าใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงหรือว่าใช้จิตหรือว่าใช้ธรรมะพูดง่ายๆายคือสติปัฏฐานทั้ง4ี่นี่คือเรียกว่าสัมมาสติการระลึกถึงกายนี่ก็อีกเหมือนกันแต่สมมติเราเระลึกถึงกายโอกายฉันเล็บฉันมือฉันแหมสวยจังเลยผมฉันสวยจังเลย หน้าผิวชั้นงามจังเลยนะถ้าระลึกถึงในลักษณะนั้นเราก็ยังไม่ใช่สมาสติแตนะ่ถ้าระลึกถึงในลักษณะนั้นแล้วยังมีความกำหนัดรุ่มหลงเพลิดเพลินผู้ชายอาจจะระลึกถึงความสวยงามของผู้หญิงเอานี้ก็นึกถึงกายเหมือนกันนี่เออแต่มันยังไม่ใช่เป็นสมาสติจึงต้องมาทําความเข้าใจว่าไอ้สติที่จะพาสัตว์ในยุคนี้ที่มีความกลุ่มรุม ถูกห่อหุ้มด้วยราคะโทสะโมหะตันหาวิชาอย่างหนานแน่นมากเนี่เราจะเราจะปฏิบัติอย่างไรตะให้สิ่งนี้มันพาหลุดออกจากกลุ่มมืดตรงนี้ได้เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ต่างประเทศนี้เจอกันมากในช่วงที่มีหมอกหมอกลงจัดลงจัดขนาดว่าทัศนวิสัยนี่ไม่ถึง10เมตรบางคนอาจจะเคยเจอในเมืองไทยก็อาจจะมีอยู่ เวลาเราขับรถไปโอ้โหทัศนวิสัยเปิดไฟก็แล้วไฟถนนก็เปิดแต่แต่มองไปข้างหน้านี้ได้แค่10เมตรนักบินเวลาเขาบินอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเขาต้องหลีกออกทันทีแต่จะลงจอดเครื่องสนามบินเป็นอย่างนี้มีหมอกลงจัดลงไม่ได้แต่ทัศนวิสัยไม่เกิน10เมตรนี่ลงไม่ได้เลยต้องไปจอดที่อื่นหรือว่ารอซะก่อนซึ่งก็เหมือนกันถ้าอยู่ในยุคที่มีความมืดขมุขมัขมว มองอะไรไม่เห็นเห็นได้ข้างหน้าไม่ไกลเราจะพลาดถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถออกจากกลุ่มมืด น, นี้ได้เดินๆไปตกท่อพุงลงไปนี่โอ้แย่เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้แจ่มแจง้งทำให้มีความเปิดขึ้นมาทำให้มันสว่างขึ้นมาทำให้มันเห็นว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ที่ไห น, นยังไงธรรมะเนี่ยจะจะสามารถช่วยได้ ถ้าใจของเรามีธรรมะแล้วมันเหมือนแสงสว่างที่ส่องไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยส่องไปละส่องมาถึงตัวเราเราได้ยินได้ฟังได้รู้อยู่เราได้ยินได้ฟังได้รู้ถึงธรรมะที่ศาสตร์ส่องมาในใจของเราพอใจของเรามีธรรมะเราก็สามารถที่จะเห็นแจ้งมีความรู้รู้ถึงทิศทางที่เราจะไปได้ เราจะทํทาธรรมะให้เกิดขึ้นในใจได้สตินี่แหละเต็มฝังสตินี่แหละสําคัญมากๆเลยเราจะฝึกสติเราจะทําอย่างไรสติที่ถูกก็มีที่ผิดก็มีอย่างที่ว่าที่ถูกเป็นยังไงแต่ที่ถูกเนี่ยสติเนี่ยคือความระลึกได้ใช่ไหมถ้าทําถูกแล้วเนี่ยมันจะทําให้มีความละความพอใจละความไม่พอใจนั่นะคือละอภิชาละโทมนานันได้ นะมันสามารถทำได้ทีนี้กระบวนการอย่างมงคลก็มีสติแต่ยังไม่สามารถละได้อันนี้คือเราต้องค่อยฝึกไปนะแต่เราที่ฝึกนี้ฝึกเนี่ยมันต้องทำให้ถูกด้วยการฝึกที่จะทำให้ถูกอย่างที่ว่าเนี่ยะถ้าบอกว่าเราไประลึกถึงกายของคนอื่นที่เห็นว่าสวยงามณ น, นั้นแทนที่ว่าจะเป็นสัมมาสตินะครับไปเพิ่มความกหนัดยินดีพิจารณาเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของสวยงาม ซึ่งมันจะสวนทางกันกับการที่พระเจ้าสอนถึงเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่สวยงามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงในนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาสติและเรายังระลึกถึงยังไม่ถูกต้องถ้าเระลึกถึงอยู่อย่างถูกต้องนั่นจะเป็นใบเพื่อความคลายกำหนัดเป็นใบเพื่อความหน่ายเป็นใบเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพนานยังไงเรียกว่าระลึกถึงอยู่อย่างถูกต้องเอาอย่างง่ายๆ แต่ผู้ฟังฟังรายการธรรมัะอยู่เนี่ยฟังผ่านทางหูหูเรามันทํางานมาไงเอามันต้องมีกายสิเหมืนอนมีระบบประสาทพวกกายพวกระบบประสาทนั่นก็คือเซลล์ในลักษณะหนึ่งแต่เป็นเซลล์ที่ทํางานขึ้นเซลล์จะทํางานต่างๆได้แต่มันก็ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงหนึ่งในอาหารหล่อเลี้ยงของมันก็คืออากาศหรืออกซิเจนที่ต้องหล่อเลี้ยงเซลล์ให้ทํางานออกซิเจนนี้มาจากไหนก็มาจากปอด ปอดมันต้องฟอกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกเอาสิ่งที่เป็นของส่งของเสียอะไรออกเอาออกซิเจนเข้าไปในเม็ดเลือดแผ่านไปยังเซลให้มันทำงานได้ปอดนี้ก็เอาอากาศนํามาจากระบบหายใจของเราเราบบหายใจมีปอดมีโพรงจมูกเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นตัวที่ลำเลียงอากาศจากข้างนอกเข้ามาอากาศที่อยู่ข้างนอกอยู่รอกร่างกายเราเนี่ แต่ถ้ามีการเคลื่อนที่มันก็จะเป็นลมถ้าลมมันเคลื่อนผ่านเข้าไปทางโรงจมูกเข้าไปสู่ปอดอันนี้เขาก็เรียกว่าลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างนี้มันมีแน่ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกนี้ถ้าบบบว่าเราระลึกถึงเราลึกถึงลมหายใจนันก็ชื่อว่าคุณมีสติอยู่ในลมหายใจได้ทำยังไงเรียกว่าระลึกถึงลมหายใจ ก็คือลมหายใจที่มันผ่านเข้านี้ถ้ามันกระทบจุดใดจุดหนึ่งในช่องทางการเดินหายใจเนี่ยซึ่งปกติแล้วจุดที่มันจะเราจะรับรู้ได้ก็จะเป็นช่องทางเข้าช่องทางออกตรงไหนคือช่องทางเข้าช่องทางออกของลมหายใจนั่นคือตรงบริเวณจมูกนั่นเองอย่างเราดูตามอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆเราจะรู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าเนี่ยเขาจะทำหน้ามุกยื่นออกมานิดนึง หน้ามุกยื่นออกมาเป็นเหมือนกับที่บังบังฝนบังแดดอะไรต่างๆเป็นจุดที่ยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเออตรงนี้เป็นทางเข้านะอาคารสถานที่บางแห่งหน้ามุกนี่ใหญ่มากและจอดรถได้เป็น10บสคันอย่างตามโรงแรมหรือสถานที่ราชการแต่ใอยังสนามบินเราเห็นหน้ามุกนี่ยาวตลอดแนวแต่เป็นการบอกให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันและเหมือนกันร่างกายของเรามีจุดที่ยื่นออกมา และเพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นก็คือปรุงจมูกของเราจมูกของเราที่ยื่นออกมาที่พระเจ้าให้ดารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าอย่างคนที่ต้องการฝึกสติแบบสัมมาสติเร ะ, ะลึกถึงลมหายใจอาอนาพานาสตินี่แหละแล้วก็ให้ดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าจะเป็นสติแบบอานาพานาสติหรือสติแบบไหนไหนก็ให้ดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้า เฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือตำแหน่งปริมุขขังภาษาบาลีเขาใช้ว่าปริมุขขังนั่นก็คือบริเวณเฉพาะหน้าซึ่งเฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือมุกในอย่างที่ว่าเป็นหน้ามุกเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจในบริเวณที่ลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่ตรงไหนถ้านะเราจับดูเราก็จะโดนจมูกจมูกบางคนเล็กจมูกบางคนใหญ่มันไม่เท่ากันจมูกบางคนไม่มีเป็นรูๆเฉย ๆ, ๆจมูกหายไปแล้วจมูกแหว่งไปแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าเราจะฝึกไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางเข้าทางออกทางเข้าทางออกมันก็ยังมีแต่มันเล็กนิดเดียวบางคนทางเข้าทางออกเล็กนคือไม่มีจมูกเลยอ่ะแต่มันก็ยังเป็นกรอ บ, กรบกรมกลมๆตรงนั้น่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ได้เราก็ส่งสติของเราเออไปตรงนั้นได้สติคือความระลึกได้แต่ยังเรามาระลึกถึงลมหายใจก็หมายความว่าถ้าลม่านเข้าตรงนี้เราจ่อไว้ตรงนี้ เปรียบเทียบเหมือนกับนายทวารที่เฝ้าประตูใครพูดง่ายๆคือยามนั่นแหละยามเขาเฝ้าประตูอยู่อยู่ที่ป้อมยามใครจะออกใครจะเข้าเขาต้องตรวจดูตรวจดูคุณมีบารไม้คุณเอาอะไรเข้าคุณเอาอะไ ร, อ, ไรออกยามที่เขาตรวจดูตามหมู่บ้านจาัดสรรก็ตามตามสถานที่ราชการโรงงานหรือว่าที่ไหนๆที่เขาอยู่ตรงป้อมยามเนี่ยเราเห็นว่าเขาจะอยู่บริเวณนั้นตลอด เขาจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจนถึงตัวอาคารถึงไหนถึงไหนเขาก็จะไม่ได้ตามคนออกไปจนถึงนู้นเข้าไปไหนต่อไหนถนนไฟแดงเราจะไม่ได้ตามไปขนาดนั้นแต่จะอยู่บริเวณนั้นบริเวณในที่นี้อาจจะเหลื่อมล้ำกันบ้างนิดนิดหน่นนอยหน่อยแต่ก็จะอยู่บริเวณนั้นซึ่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนจมูกใหญ่คนจมูกเล็กคนจะไม่มีจมูกคนถูกแทงด้วยอท่อเครื่องช่วยหายใจ ในะตำแหน่งปริมุขขังมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราหายใจเข้าหายใจออกเนีให้เราทําความรู้สึกอยูนะ่รู้ว่าเราหายใจเข้ารู้ว่าเราหายใจออกเราระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราสักจุดหนึ่งเอาจุดเดียวนะืจุดเดียวเหมือนกับนายธวาลที่เขาเฝ้าประตูแล้วนะเขาจะอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้ต่า น, นั้นบวกลบนิดๆหน่อยๆนะเราไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าเออฉันต้องอยู่เท่านี้ตารางมิลลิเมตร อยู่บริเวณนี้เป๊ะๆนะจุดที่ฉันอยู่นี้ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปวงกลมหรือรูปโดนัทนะไม่ใช่ถึงขนาดต้องเฉพาะเจาอจองตรงนั้นมันไม่แน่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะซึ่งเราทําความรู้สึกเอาไว้การที่เราจะมาระลึกถึงทําความรู้สึกเนี่ยมันก็อาศัยจุดที่เรียกว่าความรู้สึกก็ได้นะความรู้สึกคือเกิดจากเป็นผลของภัสสะนั่นเองถ้ามันมีการกระทบของลมที่ตรงไหนนะเราจะ ก็ยว่ามีการรับรู้ได้พอรับรู้เรารับรู้อะไรรับรู้ภาษสะที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่การรับรู้ภาษานี้ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีการรับรู้ตรงนี้ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไอการที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยก็เป็นการที่เราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายด้วยแล้วเจ้าลมหายใจนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นออกซิเจนที่หล่อไหลลื่นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลี้ยงเซลล์ทำให้เราได้ยินได้ทำให้เราทําการทํางานได้เน่นก็เพราะว่าอาศัยออกซิเจนดีผ่านเข้าไปทางโพรงจมูกเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นลมเห็นตัวสิ่งที่เป็นธาตุลมนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายในกายเหมือนกันกายของเราที่เห็นนี้นะเห็นแล้วอย่างไง เราระลึกถึงแล้วยังไงคนที่ระลึกถึงลมหายใจแล้วเนี่ยระลึกถึงมีสติอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคือเขาจะทําจิตให้เป็นสมาธิได้แตนะคนที่มีสัมมาสติแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้แต่บางทีในระหว่างที่เราฝึกสติแตนะ่จะให้มันเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นบ้าง อุปสรรอย่างเช่นความฟุ้งซ่านบ้างเรานั่งมาเพื่อที่จะมาระลึกถึงลมหายใจของเราฟังเทศไปด้วยระลึกถึงลมหายใจไปด้วยบ่งทีมันก็คิดไปแต่คิดไปนู่นนี่ซ้ายขวาหน้าหลังเอ๊ะวันนี้จะทําอะไรเอ๊ะพรุ่งนี้ฉันทําไอ้นี่หรือเปล่าเอ๊ะหรือวันนี้ทําไอ้นี่ดีเอ้าเดี๋ยวต้องโทรหาคนนี้แต่ความคิดต่างๆมันมีมาแน่แต่เพราะว่าเรายังมีสมองอยู่มีจิตอยู่เป็นหน้าที่ของจิตอยู่แล้วที่มันจะไปก้าวลงในการ ความรู้ทางสมองบ้างนะคือหมายถึงธรรมารมบ้างมันจะไปก้าวลงในเรื่องของกายบ้างเดี๋ยวปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้สบายตรงนั้นความก้าวลงรับรู้ในเรื่องที่เป็นเสียงบ้างก้าวลงรับรู้ในสิ่งที่ผ่านมาทางตาบ้างเป็นหน้าที่ของจิตเลยทัางสองฝั่งที่มันจะไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นธรรมดาแต่เรามีสมองมันก็มีการคิดนึกปรุงแต่งไปตามเซลสมองที่ วบวบแ ว, บ, วบไปอันนี้ธรรมาดาเรามีแขนมีขาเราบิดมันผิดท่านั่งทับมันมากหน่อยมันก็ปวดอันนี้เป็นธรรมาดาเรามีท้องคุณกินอาหารเข้าไปมันก็ต้องอือออกมามันธรรมาดาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมาดาเพราะนั้นมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราจะไปคิดนั่นคิดนี้แต่ความคิดของเราความคิดของเราถ้าเป็นคิดเรื่องที่ไม่ดีอันนี้มันจะเริ่มมีปัญหาเราจะต้องฝึกจิตในในลักษณะที่ ไม่ให้มันไปคิดเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมบ้างาคือถ้าปล่อยให้มันเลยเตลิดเพลิดเพลินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องแต่มันก็จะเหมือนกับการเพลิดเพลิน ล, ลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆแต่เหมือนนกกระจอกที่แตกแรงออกไปต้อควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเบิดว่าเราควบคุมบีบคั้นมากเกินไปก็เหมือนกับการบีบนกกระจาบด้วยมือทั้งสองนั่นแน่นเกินไปนกก็ตายเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราเราจะไป บังคับขูเข็นไม่ให้มันไม่คิดแตนะ่หรือว่าบีบคั้นบังคับลมหายใจบ้างบังคับจิตบ้างอันนี้เราจะปวดหัวนะเราไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้มันฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ต้องมีการควบคุมการควบคุมในลักษณะที่ดีนั่นะมันจะดีอย่างรถยนต์ถ้ารถยนต์เราควบคุมไม่ได้นั่นะไม่มีระบบเบรกไม่มีระบบไอคันบังคับ ให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นรถยนต์คันนั้นเร่งได้แรงเต็มที่เลยแ้่มันก็มีแต่ชนกับชนเท่านั้นถ้ามันบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราจะหยุดมันเบรคมันอย่างเดียวเน่ยไม่ให้มันไปไหนแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้รถยนต์ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนการจิตของเรามันมันเป็นอย่างนั้นแต่มันจะไปรับรู้มันก็มีแต่จะไม่ให้มันคิดเลยแต่มันจะเครียดไปความคิดนึกมันเกิดขึ้นได้ นั่เราฝึกในที่นี้พระพุทธเจ้ายัางพูดถึงเรื่องของวิตกวิจาร์ความคิดนึกที่เป็นไปทางดีก็มีสามารถสังกบากก็อย่างต้องคิดแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในอริยามรรคมีองแปดมันธรรมาชาติของคนไม่คิดมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราจะคิดเรารู้ลมหายใจไปด้วยได้ไหมเห็นถ้าเราจะไปรู้สึกสิ่งต่างๆเรารู้ลมหายใจด้วยได้ไหมนั่นคือลักษณะการที่จิตของเรายัางมีการควบคุมอยู่ เหมือนกับเราปลูกสัตว์เอาไว้เอาสัตว์มาหกชนิดจระเข้บ้างสุนักบ้านสุนักป่าลิงนกแล้วก็งูแต่ถ้าเราเอาเชือกปลูกมันไว้เราเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนำมาผูกรวมกันไว้ตรงกลางพอมันปลูกรวมกันไว้ตรงกลางแล้วปล่อยออกตัวไหนที่มีกำลังมากกว่ามันก็จะไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันมันก็จะดึงตัวอื่นๆไป เหมือนกันไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรา6อย่างเนี้ยมันจะมาคอยดึงจิตให้ไปรับรู้ในสิ่งนั้นเดี๋ยวจิตไปก้าวลงทางรูปที่ผ่านมาทางตาเดี๋ยวจิตไปก้าวลงทางสิ่งที่ผ่านมาทางหูแล้วก็ไปรับรู้ธ ร, รมารมที่ผ่านมาทางใจนะวุ่นไปเวียนมาอย่างนี้ตรงไหนแรงกว่าตรงนั้นก็ดึงไปหน้าที่ของเราตอนนี้คือให้ผูกเชือกหกเส้นนี้ แทนี่จะผูกโรงมกันไว้ตรงกลางใช่ไหมให้มาผูกไว้กับเสาเขื่อนอเสาหลักผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักพอเรามาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักแล้วมันก็ดึงไปสิแต่ตัวไหนมีกําลังก็ดึงไปดึงไปแต่พอมันอ่อนแรงเมื่อไหร่คือถ้ามันดึงแรงมากใช่ไหมเชือกมันขาดเชือกมันขาดเราก็จับมาผูกใหม่แต่มันดึงไปอีกเชือกขาดอีกเราก็จับมาผูกใหม่อีกดึงไปดึงไปมันก็จะอ่อนแรงไปเอง อ, อ่แรงไปเมื่อไหร่มันก็จะมายืนเจา้านั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเกื่อนเสาหลักมันเป็นไปได้ที่เชือกอาจจะขาดล้วก็เปลี่ยนเชือกใหม่หรือว่าพอมันเชือกขาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยอ่อนแรงลงละพราะมันดึงมาอยู่เรื่อยเหมือนกันเราผูกจิตของเราไว้นะครับเสาเกื่อนเสาหลักนั่นคือลหมหายใจเราให้มาระลึกถึงลหมหายใจยังไงเรียกว่าผูกไว้แต่ก็คือการมีสตินั่นเองพระเจาเปรียบเทียบเสาเกลื่อนเสาหลักเนี่ยก็คือกายคตาสติ แต่คือให้มีสติอยู่ในกายเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจนันะชื่อว่าคุณผูกจิตของคุณเอาไว้ละกับเสาเขื่อนเสาหลักไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันจะมาดึงจิตนตะ่ว่าดึงจิตแนตะ่ถ้าจิตถูกผูกอยู่นะด้วยการที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจนะเขาดึงไปเชื่อมันตึงนี่เชื่อมันตึงแต่เราก็ร่วงหายใจไปด้วยก็ชื่อว่าจิตของเรานั้นมีที่อยู่ที่อย่าใส จิตของเรานั้นยังมีที่พึ่งที่ระลึกถึงจิตของเรายังมีที่เกาะที่พึ่งได้อยู่แต่บางทีมันดึงแรงมากเชือกขาดเชือกขาดก็คือเราลืมลมหายใจไปละหลงลืมลมหายใจคิดปรุงแต่งต่อเนื่องไปตามสิ่งเสียงที่มากระทบโอยข้างบ้านทําไมเสียงดังโอกลิ่นเขาทําอะไรเนี่ยหอมเหลือเกินอย้านะหยุดหยุดหยุดหยุดเราระลึกได้เมืออ่อไหร่เราระลึกได้เมื่ อ, อไหร่เรากลับมาผูกเชือกใหม่ เชือกมันขาดไปแล้วเราก็ผูกใหม่เราเลือกได้เมื่อไหร่ให้เรากลับมามีสติอยู่ในรวายใจพอเราระลึกได้พราว่ปุ๊บนั่นทันทีมันผูกติดกับทันทีแต่มันง่ายๆอย่างนี้แต่พอเราทาอย่างนี้แล้วไอ้สิ่งนั้นมันจะค่อยอ่อนแรงลงแตนไม่ใช่ว่ามันจะดึงอยู่ตลอดมันดึงอยู่เชือกตึงบ้างเชือกขาดเชือกขาดเราก็ผูกใหม่เชือกตึงแ้่มันก็จะค่อยอ่อนแรงลง อะไรก็าตามที่พอมันดึงไปดึงไปอ้าวเดี๋ยวไปมีความฟุ้งซ่านคิดวันนี้ต้องทําอะไรต่ออ้าวไม่เป็นไรเรารู้ลมหายใจไปด้วยความคิดนั้นดับไปอ้าวเราก็รู้ลมหายใจอย่างเดียวเดี๋ยวมาปวดขาปวดแขนอ้าวเราก็รู้ลมหายใจไปเดี๋ยวมันดับไปเราก็รู้ลมหายใจอย่างเดียวหรือบางทีมันเพลินไปนั่นลืมลมหายใจเราก็มาลึกถึงลมหายใจใหม่ทาอย่างนี้ทําไปทําไ ป, ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตของเราจะ มีกำลังมากขึ้นสิ่งที่มาเป็นเครื่องดึงก็เรื่องเล้าเครื่องล่อเครื่องลวงเครื่องทำให้เราเพลิดเพลินนั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอันนี้คือถ้าคุณทำถูกนะทำถูกเนี่ยจะเป็นไปอย่างนี้ยังไงเรียกทำถูกนะคืออยากให้มีความอยากอยาให้มีความไม่พอใจคือบางทีเราอยากให้จิตของเราเป็นสมาธิโอยฉันต้องทาได้ฉันต้องทาไ ด, ฉได้ฉันเคยทาได้มาก่อนฉันต้องทำได้วันนี้อันนี้คือ ก็ผิดเหมือนกันนั้นเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นเรื่องกลางกันถ้ากูนั่งสมาธิก็เสียเวลาเปล่าถ้าเราจะมีความอยากความเพ่งเล็งนะไม่ใช่เสียเวลาเปล่านี่หมายถึงว่าเราเวลาถูกนิวรณ์กลุ้มรุมแต่อย่างน้อยเรายังได้ความเพียรนะเรายังได้กําลังคือความเพียรเรายังทํำการทำเนี่ยไม่เสียเปล่าหรอกอย่างน้อยเรายังนั่งสมาธิได้ไม่ได้เรายังทำเราเรายังมีการฟื้นทํายังมีความอดทนทํา พอเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีอันนี้กําลังคือวิทยะในะคุณได้แน่แต่แต่สติอาจจะยังไม่ได้สติที่จะฝึกได้ดีให้เกิดสติได้นั่นก็อย่างที่ว่าเราต้องมีสติในลมหายใจแต่อย่าให้เจ้านิวรมันเกิดขึ้นได้จะทายังไงไม่ให้เจ้านิวรมันเกิดขึ้นได้เราก็าอยากคิดปรุงแต่งบปในทางที่ไม่ดีเพราะว่านิวรนีเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันจะโตขึ้นได้ก็แต่เมื่อเราให้อาหารมันอาหารของนิวร อาหารของความที่ไม่ดีแต่ก็มาจากความอยากนั่นเองความอยากตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากที่จะไม่มีไม่เป็นอยากไม่ได้คุณอยากที่จะไม่ได้นิวรณนอย่างนี้นี่ก็เป็นวิภาวะตัณหาแต่ถ้าคุณให้ตัณหาเป็นอาหารของนิวรณ์ทันทีนิวรณ e. ์ buy, มีแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําสมาธิไม่ได้อะสิงั้นอย่าให้อาหารมันอยา่าเอาอาหารไปเลี้ยงสิ่งที่เป็นอกุศลอย่าเอาตัณหาไปล่อมันอย่าเอาตัณหาเป็นเครื่องล่อจิต ให้ใช้ลมหายใจลมหายใจที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ของเรานี่แหละเป็นเครื่องลอ่อล่อในที่นี้คือเป็นเครื่องให้เกาะให้จิตของเรามาเกาะอยู่ที่นี่ให้จิตของเรามาพึ่งที่นี่ให้จิตของเรามาอยู่ที่นี่ให้เป็นเหมือนบานถ้าผู้ฟังลองคิดดูพระทธเจ้าออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีเรือนแล้วอยู่ยังไงก็อยู่ตามป่าตามเขาและมีเครื่องอยู่ที่เป็นสุขนั่นคือลมหายใจลมหายใจของ พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอยู่ของพระองค์ลมหายใจของเราเราอยู่ให้จิตใจของเราอยู่ในลมหายใจนี้ก็เชื่อว่าเราก็มีที่อยู่แบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกันอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่แันนี้ก็เป็นอากาศประเภทเดียวกันนะครับที่พระพุทธเจ้าหรือว่าเราพระประเจกพระพุทธเจ้าหรือเราพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เหมือนกัน ท่านก็ปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานอย่างที่เราปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันในสถานการณ์ไหนก็ตามคุณจะไปที่ไหนอยู่กับใครดึกเดืนแค่ไหนทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าคุณมีสติอย่างนี้ที่นั้นเป็นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยแล้วนับปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในใจของเราอย่างน้อยยังมีที่พึ่งที่ระลึกถึงอยู่ในใจเป็นผู้ที่พึ่งตนเป็นผู้ที่พึ่งธรรม ให้เราฟังปฏิบัติไปอย่างนี้เป็นผู้ที่ไม่ลืมห ล, ลงหลัวหายใจเป็นผู้ที่มีสติดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าทาการสิ้นทุกข์ของเราให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้คระพระเจ้าพระพยบูล์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร